ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรเชาเรื่องโชคจะดีต้องมีพ่อชงโดยพระท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่21ทธันวาคม2545หที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ จเจริญธรรมท่านผู้โชคดีทั้งหลายที่ได้มานั่งฟังธรรมกันเนี่ยจะด้วยอะไรก็ตามแต่มาด้วยใจสมัครมาด้วยไม่รู้อะไรผลักมาแล้วก็ได้มานั่งอยู่ณที่นี้ขณะนี้ ในเวลาตีสี่ลุกขึ้นมานั่งฟังธรรมถือว่าเป็นโชคไม่ใช่เคราะ์ถือว่าเป็นโชคดีไม่ใช่เคราะห์ดีเด็กๆ ก, ก็ต้องฟังไว้ด้วยผู้ใหญ่ก็ตามต้องเข้าใจคำว่าโชคกับคำว่าเคราะห์นี่ให้ดีคำว่าเคราะห์ เ, ะเนี่ยหมายความว่าคนผู้นั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่มัน จะไม่ดีแก่คนคนนั้นเกิดเหตุการณ์จะไม่ดีแก่คนคนนั้นเราเรียกว่าเคราะห์แต่พอดีเหตุการณ์ที่มันจะไม่ดีนั่นแหละมันกลับดีเรียกว่าแม่ทำไมเช่นนั้นแล้วก็แย่เลยแต่มันกลับดีก็เรียกว่าเคราะห์ดีส่วนที่มันเกิดเหตุการณ์จะไม่ดีนะั้นแล้วมันก็ไม่ดีจริงๆรนะิะเรียกว่าเคราะห์ร้ายร้ายไปเลย ส่วนมีเหตุการณ์ที่มันดีมันดีไปในทางที่ดีเเป็นเหตุการณ์ที่ทจะดีและมันก็ดีเราเรียกว่าโชคดีเหตุการณ์ที่มันจะดีเรียกว่าโชคและมันก็ดีก็เรียกว่าโชคดีแต่ไปในเหตุการณ์ที่มันจะดีนี่แหละมันกลับไม่ดีมันกลับไปผิดพลาดยังไงก็ไม่รู้แหละ toggle. มันกลับไม่ดีเลย เหตุการณ์นั่นก็เรียกว่าโชครายนะมันจะดีมันทำท่าจะดีเหตุการณ์นั้นมันตั้งท่าจะดีเตรียมการก็ไปใ่ทางที่ดีนะคนมีการเตรียมการก็ได้ไม่มทีไม่เตรียมการแต่เป็นเหตุการณ์หรือเป็นประสบการณ์นั้นขึ้นมาซึ่งมัน่ามันจะดีเรียกว่าโชคถ้ามันจะไม่ดีนะเราเรียกว่าเคราะหนะ์เห็นใช่กัน สับสนใช้กันผิดผิดกันบ่อยตอนนั้นที่จะไปไม่ดียังไปเรียกโชคเรียกโชคอยู่แท้หรือไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็บอกว่าโชคไม่ใช่ ท, ทําในสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ดีก็คือไม่ดีก็เรียกว่าเคราะห์ไปทําสิ่งที่มันไม่ดีเรียกว่าเคราะห์หรือว่าเหตุการณ์หรือว่าประสบการณ์ใดก็แล้วแต่มันไม่ดีเรียกว่าเคราะห์อ้าวนี่ก็สอนภาษาไทยหนึ่งคู่หนึ่งคำในวันนี้ก่อน นะก่อนเปิดฉากในการเทศอะไรอื่นคนเราตั้งใจไว้ให้ดีเสมอนะก็จะเป็นคนมีโชคตั้งใจไว้เหตุการณ์ที่มันไม่ดีก็ตามเป็นเหตุการณ์ที่มันจะไม่ดีเนะ่มันกินเหมือนจะเคราะห์เป็นจะเป็นเคราะหนะ์เป็นในทางที่ไม่ดีนะสลาตันมานะถล่มทลายเข้ามาเลยเนี่ยเราถือว่าไม่จะโชคแน่นอน มันถูกมรสุมสลาตันพัดมาอย่างแรงอะไรเงี้ยเราถือว่าเป็นเคราะห์แน่เหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นเคราะห์แต่มันก็ยังไม่ร้ายแรงเมื่อเราแก้ไขหรือว่าผลดีแล้วมันไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสก็เออก็ถือว่ามันเคราะห์ดีไปอย่างอะไรไม่มากก็เรียกว่าเคราะห์ดีอย่างนี้เป็นต้นน่ะ เพราะถ้าเราเองเราตั้งใจมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์อะไรเราตั้งใจจะไปทําสิ่งที่ดีเป็นโชคทั้งนั้นแล้วก็เจตนาที่ดีๆตั้งใจที่ดีๆดําเนินชีวิตไปพยายามจัดสรรจัดสรรชีวิตไปในทางที่ดีๆเสมอก็เรียกว่าเราไปหาโชคไปหาสิ่งที่ควรจะได้ควรจะเป็นส่วนมันไม่ได้ก็เรียกว่าเออมันยังไม่โชคดีหรือว่าโชคมันยังไม่ดีมันยังไม่ได้ก็ภากเพียนใหม่ ไอเรื่องเคราะหนั้นก็คงไม่มีใครเจตนานะทีอยากจะให้มันเกิดเคราะห์ที่ไม่ดีนะคงไม่ใครไม่มีใครอยากจะมีเคราะห์นะแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเสด็จเคราะห์ให้เปนถูกหลอกอย่างที่เขาทำกันนะมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ของคนในวงชีวิตในวัฏจักรของชีวิตมันมีวิบากถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อวิบาก เชื่อว่าคนคนเราเกิดมาอยู่ในสังสารวัตนี้มาจนกระทั่งถึงขณะนี้จะเกิดมาตอนนี้ใหม่ๆเด็กๆก็ตามเกิดในแวดวงของชาวโศกเราเนี่ยก็เป็นคนที่มีส่วนได้พลัดได้ผู้อะไรมาแล้วแต่มันเป็นโชคแล้วพลัดผู้มายัางไงก็ตามใจเธอได้มาตกอยู่ในถิ่ น, นแดนอย่างนี้ทุกอย่างมีเหตุ มาแต่เหตุอยู่ดีๆมันจะไปเป็นเองพัดผุ้ที่ใช้คําว่าพัดพร้พัดผุ้ผุ้มันไม่ใช่ว่ามันเจตนาอะไรมันบังเอิญหรือมันมีเหตุอ ย, อย่างนู้นอย่างนี้สิ่จับไม่เคยได้นักเป็นเหตุที่ไม่มีเหตุที่ตั้งอกตั้งใจไม่มีเหตุที่มันกําหนดให้มันดูมันดีอะไรนักหนาเราแต่มันก็พัดพัดผุ้ผุ้มาตกที่นี่มาอยู่ที่นี่หรือว่ามาได้ มีชีวิตอยู่ที่นี่ได้ถือว่าโชคไม่ถือว่าเคราะห์นะส่วนจะดีหรือไม่ดีนั่นก็อยู่ที่เราเป็นหลักแต่ละคนแต่ละคนมาอยู่ที่ดีแล้วเหตุการณ์ดีแล้วสิ่งแวดล้อมดีแล้วมีเสนาสนาสปายะมีบุคคลสปายะมีอาหารสปายะามีธรรมะสปายะหมายก็ว่ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมสถานที่เสนาสนะ ก็ดีแล้วซึ่งจะขึ้นไปดีสปายะเป็นการเจริญเป็นการก้าวหน้าสปายะเนี่ยเป็นความเจริญความก้าวหน้านะปายะภาษาบาลีเนีเน่เป็นการแปลว่าก้าวหน้านแปลว่าเจริญนะเพราะฉนเซ็นนาสนะหรือสถานที่สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนา น, านี่อำนวยแล้วอำนวยให้เจริญ บุคคลที่ห้อมล้อมอยู่ด้ ก, กันกับมิตร ด, ดีสหายดีสังคมเสี่ยงเวดล้อมดีนะมีผู้นำที่ดีมีพี่ดีพี่ป่าหน้าอามีปู่ย่าตายายมีพี่มีน้องแม้แต่รุ่นเด็กๆเด็กๆก็ดีนะและมีสิ่งที่อาศัยตั้งแต่อาหารอาหารที่กินเข้าไปในชีวิตรับประทานเป็นกาวลิงกราอาหาร เป็นอาหารที่กินเข้าปากเลี้ยงชีวิตก็เป็นอาหารที่ดีเป็นอาหารที่ไร้สารพิษเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ไม่มอมเมาเป็นอาหารที่พิจรารณาหรือว่าเลือกสรรกันในหลักการของโภชนาการที่จะมีคุณค่าทางอาหารอะไรไดีๆ ด, ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นกวลิงกะลาอาหารก็ดี ผัสสะหารก็ดีนะมีผัสสะต่างๆไม่จัดจ้านเกินไปเป็นโลกียะต่างๆเป็นโลกโลกหรือว่าอากุศลอะไรที่มันเป็นเชิงไม่เคยดีนักเป็นโจทย์ให้แกเรามาเป็นโจทย์ให้แกเราในทางกายกรรมวจีกรรมสัมผัสในทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรก็แล้วแต่ผัสสะมาก็ อยู่ในสัดส่วนที่ไม่รุนแรงโหดร้ายนะไม่รุนแรงโหดร้ายนะไม่หา ย, มยาบคายไม่จัดจ้านเหมือนโลกโลกครับ โ, โลกข้างนอกเขาน่ยจัดจ้านนอกจากจัดจ้านแล้วยังมีเจตนาร้ายอีกด้วยอยู่ในหมู่พวกเรานี่มีพรรษาต่างๆเนี่ยอาตมาไม่เชื่อว่าจะมีเจตนาร้ายนะมันอาจจะมีแรงไปบ้างหนักไปบ้าง นะไม่เข้าทีบ้างในผัสสะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ใจต่อใจที่จะมีต่อกันก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่ร้ายแรงเหมือนข้างนอกแน่นอนเป็นผัสสะที่เชื่อว่ามีเจตนาดีผสมประสานอยู่ในนั้นมากกว่าข้างนอก้วยข้างนอกนะ่ะเจตนาผสมไปซึ่งจะเป็นมโนสันเจตนาหานะอาหารสี่มีกวลิงกลาหาร ผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารอาหารสี่นะก็วลินกอาหารก็บอกไปแล้วอาหารที่กินเป็นคำข้าวเข้าไปในร่างกายผัสสะอาหารก็คือการกระทบสัมผัสผัสสอาหารการสิ่งที่มากระทบสัมผัสก็ชีวิตเราตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสนอกสัมผัสในนะแล้วมันก็เกิดผลกระทบกระเทือนอย่างน้นอย่างนี้ ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมยังมีโพธิปักคิยธรรม37มมีการรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเลยมีสติปทานสี่สมปทานสอิทิบาท4ีมีหลักของหลักของสเด็กๆนี่รู้จักไม่4 5 7ห้าดนี่คืออะไรรู้ไหม4 5ห้านี่คืออะไระเด็กๆรู้ไหม รู้บ้างไหมเงียบๆนะถ้ารู้มากๆคนก็คงจะบอกว่ารู้พร้อมๆกันนะ น, นี่เงียบแสดงว่าไม่่อยรู้แล้วผู้ใหญ่รู้กันบ้างไหมในทบทวนนิดหน่อย4 5 7ห้าเ็นี่ยลืมยังยนี่ลืมนะแหมเลขหวยสำคัญของชาวโศกส5 7ห้าเ็ดแนะ่รัฐบาลหวารัฐบาลไม่ออกทีหรอกส5 7ห้าแนะแต่หวยของเรานี่ประจำ ต้องซื้อไว้เป็นประจำชีวิต4 5 7ห้าหลายคนไปซื้อไม่จะไปซื้อไปหาเลขเะทะเบียนรถ4578ปไปติดทะเบียนรถแต่ก่อนนี้รถโฟกที่อาตมาใช้อยู่ก็เลข4578เนะขาพวกเราหลายคนก็ไปหา4578้อเมาไวเป็นเบอร์รถเหมือนกั น, นสี่ก็หมายถึงหลัก หมู่ของหมวดทำแรกหมวดแรกของโพธิปัจจคียธรรม37มีสติปทานสสมปทานสอิทิบาทสนี่เป็นหลักหมวดแรกของตัวสหมวดหลักของตัวสหมวดแรกเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติเลยนะสเนี่ยเรามี ส, สติปทานสนะ พิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมการพิจารณานี่หมายความว่าเราต้องมีจิตไปไปรู้อยู่เสมอพิจารณาเนี่ยจิตของเราจะต้องตามรู้ไปทางข้างนอกเรียกวิทยตนะนอกมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้างนอกเราก็ตามรู้สัมผัสนอกและมีอิทยตนาเข้าไปข้างใน ต่อเนื่องเข้าไปถึงภายในเราก็ตามเข้าไปรู้ข้างในนะไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันปรากฏอยู่ข้างในผ่านตาเข้าไปแล้วตาเนี่เป็นอจตนะนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามแต่เราจะเรียกว่าใจเป็นอจตนะนอกก็ได้ใจมันโผล่มาข้างนอกมารับข้างนอกก็ได้แล้วมันก็ไปปรุงอยู่ในใจก็ได้นะ มันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและก็ธรรมารมเราก็เรียกว่านะันเป็นอายตนะในเป็นสภาพในที่มันไปเกิดขึ้นในตัวเรานะเป็นอายตนะเป็นเครื่องเชื่อมต่อเอาจากนอกก็ตาหูจมูกลิ้นกาใจมันเอามาจากนอกแล้วมันก็ไปเกิดข้างในเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแลวก็ธรรมารมนะเราก็ มีพิจารณาดูความเกี่ยวข้องความเกี่ยวข้องความต่อเนื่องอะไรพวกนี้แล้วมันไปทําปฏิกิริยากันอย่างไรไปสังขารกันอย่างไรไปปรุงไปแต่งกันอย่างไรไปทํางานกับจิตของเราละข้างนอกนี่รับ ร, รับรู้ตาหูจมูกนิ้วกายสัมผัสแล้วเข้าไปข้างในมันก็จะไปปรุงแต่งกันอยู่ข้างในมันเร็วนะศึกษาใ ห, ใหม่ๆจะเห็นได้สัมผัสที่ปั๊บชอบแล้ว มันเกิดอาการชอบแล้วเราต้องอ่านให้ทันพิจารณาวิจัยไม่ได้ดีว่าเออชอบแล้วมันทําไมมันชอบนี่ยังเป็นต้นพิจารณาแยกแยะมันออกไปวิจัยวิจารมออกไปทําไมมันชอบชอบเพราะอะไรเหตุตั้นเหตุที่อย่างไรงไรนี่ต้องหัดพิจารณาเด็กๆก็ต้องหัดพิจารณาได้เป็นการปฏิบัติธรรมชอบทําไมเจอผู้หญิงชอบประโ้อถุงขี้ผูกโบอพิจารณาไป ถุงขี่ผูกโบทั้งนั้นแะแม้ทำเป็นสวยถึงแม้สวยก็มีวิบากดีมาเฉยๆหรอกน่ะชาติหนก็คงกิเลมันหรอกอะไรพิจรารณาไปเรื่อยๆหรือแก่แล้วมันก็ไม่จกงี้ล้อตอนนี้มันก็ยังกำลังแหวัยรุ่นหนุ่มสาวเนื้อนหนังมังสาวยังเต่งตึงผิวยังผ่องอะไรจนน้าแก่แล้วเดี๋ยวก็คล้ําก็ดาก็เหี่ยวก็ยน่นไม่มีรอดหรอกนะ พวกนี้เป็นการพิจารณาทางนั้นกายคตาสติพิจารณาสิ่งที่มันประชุมกันแล้วมันไม่เที่ยงนะกายขตาสติมันดําเนินไปเป็นไปมันก็เป็นไปในชั่วระยะหนึ่งดูดีต่อไปมันก็ต้องเสื่อมตามเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปอะไรพวกนี้เป็นแนววิธีการให้พิจารณาให้คิดให้นึกใหเห็นแล้วจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่คงทนความไม่อยู่อย่างนั้นจะดูว่าดีเป็นสุภะ ต่อไปต่อไปมันก็อสุภะต่อไปมันก็ไม่ดีไม่งามอะไรหรอกอย่าไปยึดเอาเป็นที่มั่นที่ไมายเลยไปชอบอะไรชอบมันงามชอบมันยังดูดีต่อไปมันก็อสุภะมันก็ไม่ดีไม่งามไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราะยังไปหลงยึดมั่นเลยมันไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรเป็นอย่างนี้อยู่ดิรันดิรันดอนไปหรอกนะเพราะเราจะไปยึดไปติดอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้น พิจารณาต่างๆ น, น, นานาพวกนี้เห็นความตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปแล้วเราก็อ่านใจเราดูว่ามันไปติดอะไรมันไปยึดอะไรถ้าเราพิจารณาแล้วก็ให้เหตุผลให้หลักฐานความจริงอะไรต่างๆนานาเมื่อพิจารณาไปแล้วมันก็จะอ่านอาการทางใจของเรามันคลายได้เออความมีปฏิพัฒนาราคะมีความรักหรือมีความโลภ มันก็จะคลายไปแม้แต่ความโกรธความอาฆาตพยาบาทไปยึดไปติดอะไรกัน้นเป็นเวลานุเวยมหาเรื่องหาราวยกเลิกเถอะคลายใจเถอะอภัยอโหสิอะไรก็ว่ากันไปพิจารณาเห็นทางที่มันจะเบาจะบางจะกลายคลายไปจากอาการราคะโลภโทสะโมหะเนี่ยเป็นการพิจารณาเพาราะฉะนั้นตั้งแต่นอกกาย กายในกายกายคือองค์ประชุมตั้งแต่มันเริ่มต้นเป็นต น, ตนเป็นก้อนกายร่างกายรูปโฉมมันประชุมกันนี้แล้วเราก็ไปสัมผัสเข้าแล้วก็ไปก่อรูปอยู่ในใจแล้วก็ไปสังขารอยู่ในใจเป็นสังขารทางในจิตเป็นธรรมารมณ์เราก็วิเคราะห์วิจัยมีอะไรไปปนอยู่ในธรรมารมณ์เห็นรูปแค่รูปรูปเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็มีอะไรไป ป, ปรับปรุงแต่งไม่มีราคะปรุงแต่งไม่มีผกไม่มีดูด ไม่มีชอบไม่มีชังไปผสมปรุงแต่งอยู่ก็อ่านให้ชัดว่าโอ้จิตเตไม่มีอะไรเฉยเฉยอุเบกขาไม่ดูดไม่พลักไม่รักไม่ชังไม่ชอบไม่สุขไม่ทุกข์ก็อานอาการทั้งหมดเป็นเวทนาต่างๆเสด็อาตมาได้เคยขยายความของเวทนาให้ฟังมาตั้งร้อยแปดอย่างไม่ใช่อาตมาบัญญัตินะพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถันละเอียดละออ ทรงสอนไว้ให้แกเร า, าตั้งแต่เวทนาสองเวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา32อเ้ยไม่ใช่3าเวทนา36เวทนา1 0ออัตมาไม่ไล่ไม่ไล่เวทนาวันนี้อยากจะรู้ดีละเอียดไปอ่านในหนังสืออีคิวอธิบายไว้ใน EQ ในถอดรหัสก็นุมมันมีถอดรหัสกมม็นุมันอธิบายเวทนา1ิ ร้อยแปดไว้บ้างใน EQ ก็อธิบายไว้ในอื่นๆก็เอาไปอธิบายไว้อีกหลายแห่งเล็กๆน้อยๆหรืออธิบายกันจนกระทั่งตั้งตนจนจบเลยก็แล้วแต่มีนะอธิบายไว้ให้ฟังละเอียดๆให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของที่มันไม่รู้รู้ได้เรียนได้แล้วเอามาใช้งานเอามาอ่านเอามาใช้เป็นสูตรเป็นทฤษฎีเป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะวัด ดูอาการทางใจลิงคะอาการอาการลิงค์นิมิตตามที่อาตมายกอุทเทศตปรนี้ข้อความโปรนีขึ้นมาขยายอธิบายสู่ฟังเราก็เป็นนักปฏิบัติที่มีสติปัฏฐานสีดูกาย ก, กายนอกกายกายในกายจริงๆก็ไปพิจารณากายในกายข้างนอกมันมก็เป็นส่วนที่นอกตัวนอกตนพอรับเข้ามาเป็นกายในกายเป็นรูปในกายเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสอะไรก็ตาม มันประชุมกันขึ้นมาแล้วมันก็มีสังขารมีการปรุงแต่งนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอารมณ์เป็นกามอารมณ์เป็นทิฏเป็นทิฏฐอารมณ์หรืออนิถารลมเป็นอารมณ์ชอบอารมณ์ชังเป็นทัตถารมณ์ก็ตามใจหรือเป็นกามารมณ์ก็ได้รมอารมณ์ที่สมใจในกามตามหูจมูกลิ้นกายสมใจเหมาะใจแล้วก็เป็นรสเป็นชาติเป็นสุขในอัตถัตถารลมคืออารมณ์ที่สมใจในป อุปทานของเราตัวเราอัตราตัวเรามันไปตั้งข่ า, าไว้แล้วมันก็เออเหมาะใจดีได้อย่างงี้มามีอาการอย่างงี้มามีสภาพอย่างงี้มาแล้วมันก็เป็นสุขได้หรือไม่ชอบใจไว้ตั้งข่าอุปทานไม่ชอบไว้มันก็เป็นทุกข์ไม่ชอบใ จ, จชิงชังผลักไสอึดอัดขัดเคืองถึงขั้น ร, รําคาญถึงขั้นโกรธชังอะไรก็ตามใจแล้วก็อ่านสิ่งเหล่านี้แหละเรียนรู้จิต เจตสิกพวกนี้วิจัยวิเคราะห์ให้ละเอียดดูเวทนาในเะวทนาก็อารมณนะ์อารมณ์ต่างๆที่มันปรุงแต่งจนกระทั่งแยกแยกออกได้ถึงอารมณ์สอารมณ์3ามของเวทนาสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นะั่นเป็นอารมณ์3อารมณ์5ก็มีอินทรีย์ของมันนะตั้งแต่สุขกินทรียทุกข์กินทรโสมนัสสินรีย์โธมนัสสินรีย์อุเบกินทรียเป็นกําลังเป็นน้ําหนักของอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ หรือว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ข้างในเรียกว่าโส ม, มนัโท ม, มนัตข้างนอกรวมหยาบก็เรียกว่าสุขวัตถุโส ม, มนัโทมมณัตก็เรียกว่าสุขวัตถุเหมือนกันแต่มันอยู่ข้างในมันปรุงแต่งข้างในเป็นอารมณ์จะไม่น้อยลงละเอียดขึ้นอะไรก็ตามใจกับอุเบกขานนั้นเป็นอินทรีย์แล้วมันมีน้ําหนักมันมีความแน่นความหยาบความมากความน้อยอะไรก็แล้วแต่ในอาการของอารมณ์ของเรา เป็นเรื่องของคุณภาพของมันเรียกว่าอินทรีย์กาลังกําลังความทุกข์มันสูงกําลังความสุขมันสูงกําลังสมนัตสูงกําลังโทมมณัตสูงหรือกําลังความวางเฉยได้สูงมีความวางเฉยได้แข็งแรงแน่นหนาดีหรือว่ามันวางเฉยได้บ้างแต่มันก็ยังมีเบาๆยังมีเอียงๆมีไหวไวอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นน้ําหนักน้ําหนักของกําลังสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะ ตั้งแต่หยาบกลางละเอียดทันแบ่งไว้เป็น5สุขกินสีทุกขินสี่สมนัสสินสีมมณัสสินสี่อุเบกขินสีพวกนี้อย่างนี้เป็นต้นเวทนาหเวทนา6ก็เอาจาก3นะไม่ใช่3ข้อไปเวทนาหก็เอาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆนะเกิดได้พบรูปั๊บก็เกิดอาการนะสุขทุกข์อย่างไงนะมันยังไม่ชุบไม่ทุกข์หรอกมันถือว่ามันเกิดอารมณ์จากตาตระทบรู้ก็เกิดอารมณ์แล้ว อ่านอารมณ์นั้นออกได้ยินเสียงก็เกิดอารมณ์ได้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือว่าปรุงในใจเองก็เป็นอารมณ์หอารมณ์เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเวทนาทั้งหที่นี้มันไปผนวกกับสุขทุกข์กับไม่สุ ข, ไ ม, สขไม่ทุกข์อีกสามวเวทนาสาไปผนวกกันเข้าพอตากระทบรูปเกิดสุขหรือเกิดทุกข์หรือเกิดไม่สุขไม่ทุกข์หูกระทบเสียงมาเกิดสุข หรือว่าสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างอะไรงนี้เป็นต้นจมูกก็ตามลิ้นก็ตามกายสัมผัสก็ตามหรือแม้แต่ในใจเองธรรมารมณ์ก็ตามทวารหกทวารหรืออายตนาทั้งหมันรับสัมผัสแล้วมันก็ปรุงแต่งกันเป็นสุขเป็นทุกขหรือไม่สุขไม่ทุกสามมันสมกับ6ก็เป็นสิปเป็นเวทนา18แแล้วนะ ทีนี้ใน18บดไปแบ่งออกเป็นการสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์แบบเคหะสิตตะเรียกว่าแบบโลกโลกแบบคนโลกโลกโลกียะกำแบกแบบเนคขมัสิตตะแบบเนคขมัสิตตะว่าจะไม่ได้ไม่อธิบายก็อธิบายไปแล้วนะเนกขมัสิตตะอีกเป็นสองฝ่าย16 2หกบวกกันก็เป็น พอสิบแปดสบวกกันก็เป็น36นั่นเรียกว่าเวทนา36เพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งซับซ้อนลงไปอีกมากระทบทางตากระทบหูจมูกลิ้นกายใจเสร็จแล้วมันก็มีสุขมีทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้สุขทุกข์อย่างโลกีอย่างเคหะสิตะเวทนานะบวกเข้ากับเอาภาษาพวกนี้มาต่อกันนะเป็นสบับปะ ท, ทงตาก็เป็นจักขุเวทนาจักขุเวทนาแล้วยังมีทุกข หรือมีสุขก็เรียกว่าสมนัติหรือโธมนัตเขาไม่เอาคําว่าสุขเขาเอาว่าธมาเขาเอาสมนัตกับโธมนัตใส่ใชนะ่เพราะมันเป็นข้างในเป็นท้งใจก็เรียกว่าสุขหรือทุกข์ก็ตามใจมาจากตาจักขุสมนัติเคหะสิตะเวทนาอะไรเงี้ยมันก็เอาไปทางพวกนี้มาเรียกรวมให้รู้ว่าสื่อให้รู้เป็นภาษาว่ามาจากตาแล้วก็เรียกเป็นภาษาไทยไทยอะไรเนี่มันสุขทุกข์เพราทางตา สุขทุกข์กทั้งหูเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกเวทนาคืออารมณ์คือความรู้สึกก็แบ่งแยกไปเรียกกันไปแล้วก็อ่านให้ออกนั่นละมีภาษะแล้วก็อ่านภาษาหานเราก็จะแยกวิเคราะห์เวทนาในเวทนาวิเคราะห์จิตในจิตพิจารณาจิตในจิตจิตในจิตท่านมีปัจเจโตปริยาณ16นั่นแนหะคือจิตในจิตพิจารณาแยกออกก็าอารมณ์พิจารณาไป มันเป็นอารมณ์แล้วก็อ่านออกวิจัยออกว่าขณะนี้จิตเรามีราคะมูลนะมันเป็นราคะนั่นเองหรือมันเป็นโทสะมูลมันเป็นโมหมูลมันเป็นต้นตัวสภาพนี้เลยเนี่ยอาการอย่างนี้ละชัยอาการานี้ราคะอาการานี้โลภะหรืออาการอย่างนี้โทสะหรือพยาบาท ใช่เลยอะไรเงี้ยเราต้องอาอาการมันออกรู้มันเป็นรู้มันได้ของใครก็ต้องพิจารณาอ่านให้เป็นมันต่างกันนะราคากะโทสักมีลิงคะมีอาการต่างกันนะมันต่างกันต่างกันยังไงหรือแม้มันน้อยมันมากอินทรีย์ที่ต่างกันมันมากมันน้อยก็ต่างกันนะลิงคะมันมีนัยยะที่ต่างกันอยูคือมันคนละตระกูล รนะาคะตระกูลหนึ่งมูลคือตระกูลราคะมูลโทสะมูลคนละตระกูลนะนี่ต่างกันแน่หรือแม้ตระกูลเดียวกันมีมากมีน้อยมันก็ต่างกันมีลิงค์ะต่างกันมีอาการต่างกันได้มากบ้างน้อยบ้างหรือมากกว่ากันเยอะมากกว่ากันต่างกันนิดเดียวแมมันตัวเรือ่น้อยกับหมดต่างกันไหมนะ้าเรือ่น้อยกับหมดนี่ ต่างกันแต่ใกล้เคียงกันมากเลยเหลือน้อยๆก็จะหมดนี่มั่ยถ้ามีต้องมากไม่ห่างกันหมดเยอะเลยเมื่อมีต้องมากก็หมดนี่ห่างกันเยอะแต่อย่างนี้ความต่างเยอะช่องความต่างอ่านง่ายแต่เวลาใกล้กันก็มาแล้วคล้ายกันนะราคะโทสะโมหะอะไรมันเวลามันเวลาบางทีบางอย่างบางอาการมันต่างมันต่างกันน้อยมันใกล้กันก็มี เนี่ยเราต้องพิจารณาเจตโตปริญานสิบก็ตั้งแต่ราคะมูลโทสักมูลโมหะมูลท่เรียว่าสาราคะสะโทสะสะโมหะถ้าเราสามารถทําให้มันจางคลายได้ท่านเรียกว่าวีตะวีตระคะวีตโตสะาาวีต โ, โมหะนะทำให้มันจางคลายได้แล้วก็รู้ว่าโอ้โหนี่เราสามารถเนี่ยทำให้มันลดลงมาได้จางไปได้แต่ก่อนมันสาราคะเดี๋ยวนี้มันวีตะลงมาบ้างแล้วก็รู้รู้ทิศทางรู้ว่า ไอสิ่งที่เรามีจริงนี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยรู้ด้วยสามารถด้วยเจตนานด้วยพยายามกระทําปฏิบัติภาคปฏิบัติก็เรามีผลทําแล้วลดละได้จริงแม้มันยังไม่ได้หมดแต่มันมันก็จางคลายตามเห็นความจางคลายตามเห็นความไม่เที่ยงแต่อาตมาเคยอธิบายแม้แต่อา น, นิจญานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีอะไรพวกนี้อ น, นุปัสสีคือการตามเห็น มันมีญาณเห็นเลยปัจส ต, ต, ติชาณโตชานติชานาติแปลว่ารู้ปัจสติแปลว่าเห็นอาการญาณ น, นี่มันรู้มันเห็นเลยมันเป็นตาทิพย์เป็นญาณทิพย์ของเราอ่านของเราเองเราเป็นนักปฏิบัติต้องมีสิ่งเหล่านี้อ่านออกเห็นได้รู้ตัวเองเมื่อไรก็รู้ปฏิบัติทำอยู่นี่มีมรรคองแปดเวลากําลังทํางานทําการอะไรอยู่กระทบสัมผัส ดําริอะไรก็รู้อยู่ในดําริของเราความคิดความนึกของเรามีจิตแววไวรับรู้ฝึกไปมันจะรู้เร็วขึ้นสัมผัสแล้วกระทบแล้วกระแทกแล้วมันแรงมันก็อ่านทันแล้วก็อ่านออกยิ่งกระแทกรางแรงมันยิ่งน่าจะทันน่าจะรู้เนาะแต่มันไม่รู้แล้วมันไปก่อนแล้วแม้ตอบโต้แล้ว แล้วค่อยรู้ตัวที่จริงเขาเลือดออกแล้วนะค่อยรู้อะไรเงี้ยโอ้โหมันชาจังเลยนะที่จริงเขาก็ทบเราแรงๆแล้วเราก็เกิดอาการโกรธเกดิดอาการตอบโต้ไม่ทำรายเขาเนี่ยมันควรจะรู้ไปตั้งนานแล้วนะแต่คนเห็นไหมว่ามันหยาบมันไม่ค่อยรู้ตัวรู้ตัวอีกทีโอ้โหไปถึงไหนแล้วเขาเลือดออกแล้ว หือเราเองก็เจอเลือดก็ออกด้วยเขานอกจากเราเขาออกเราก็ออกเขาก็ตอบเรามาจนกระทั่งเราก็เลือดออกแล้วอะไรเงี้ยมาค่อยไปรู้สึกเลือดนี่มันช้ามากเลยเพราะนักปฏิบัติธรรมนี่จะค่อยๆรู้รไปเร็วขึ้ น, เ ร, นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรียกว่ามุทุภูเตะแหววไยจิตมันเร็วมันเร็วนอกจากรู้เร็วแล้วดัดได้ง่ายด้วยเรียกว่ามุทุพุทธาตะมุทุภูเตะนั่นคืออารมณ์อาการของชาน เวลาการปฏิบัติฌานไม่ว่าจะกรรมมิยะกรรมนิเยกันกระทำอะไรคุณจะทำอะไรอยู่ตาหูจมูกลิ้กายกำลังกระทบสัมผัสนะกำลังกระทำทางด้านไหนก็นแล้วแต่เป็นกรรมสังกปะวาจากรรมมันตาก็กรรมกิริยาทั้งนั้นอาชีพทาการงานทำอาชีพก็อยู่ในกรรมใดๆก็แล้วแต่ กรรมเหล่านั้นน่ะกรรมมิยะเหล่านั้นน่ะเมื่อเราได้ปฏิบัติตนเองเป็นฌานมีมุตุภูเตมีกรรมมณิเยการกระทําต่างๆมันก็จะถูกปรับตัวปรับไปอย่างเหมาะอย่างควรไปตามอินทรีย์พละใครเก่งกรรมมณิยะก็จะเก่งขึ้นดีขึ้นกรรมมณิยะหรือกรรมมัญญากรรมมัญญาก็แปลว่ากรรมที่มีจิตปัญญาณหรือมีปัญญากรรมัญญานจิตปัญญาณที่สามารถ จิตวิญญาณที่มันมีตัวควบคุมมีสติสัชัญญาปัญญาที่เข้าไปทำงานร่วมกับการกระทำกรรมต่างๆมีวิเคราะห์วิจัยมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนโดยมียานผสมแล้าก็ไปเก่งมียานมีวิชาแปดวิชาเก้ามีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีมีโสทิปอะไรก็ตามเรามีจริงๆนะมันจะค่อยๆฝึกให้เราเกิด เราจะเกิดวิปาาัสนาญาณเกิดวิปัสนาก็คือวิจัยวิจารณรู้เห็นแล้วก็ตามที่เราเข้าใจนี่แหละแล้วก็เข้าไปปฏิบัติอ่านแล้วก็มันก็ปฏิบัติไปวิปัสนาไปแล้วก็มีมโนโมยิธิมีฤทธิ์ในการมีฤทธิ์สำเร็จตทางใจหมายความว่าใจของเรานี่มีเป็นนักรบรู้จักศัตรูรู้จักกิเลสวิจัยกิเลสออกจับตัวกิเลสได้นะจับตัวได้นะต้องจับตัวตนกิเลสได้แล้วก็ฆ่าถูกตัวตน ไม่ใช่ว่าจะฆ่าบินลาดินก็เอาปลูกระเบิดไปทิ้งอัฟกานิสถานทั้งเมืองเลยจนป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าบุตรจะฆ่าบินลาดินได้หรือเปล่านี่วิธีทําแบบนี้ไม่ใช่ไอ้เนี่ยแบบไปนั่งสะกดจิตแบบไปฆ่ากิเลสมันไม่รู้ตัวสัวจจะของพระเจ้านี่ต้องรู้ตัวตัวที่จับได้เราเรียกว่าส ก, กายะตัวตนที่เราจับได้เราเรียกว่าส ก, กายะมันหยาบก็สกกายะหยาบมัน ดึกซึ้งขึ้นมันก็เป็นส ก, กายะเป็นหลักกายะก็คืออัตตาคือตัวตนที่เราใช้ภาษาเรียกที่อาตมาอธิบายฟังแล้วอัตตามันคือ generic name หรือว่ามันเป็นพระพนาเอา เ, เป็นคำน่าวเป็นคากว้างอัตตาแต่ส ก, กายะหรืออาสวะเนี่ยมันเป็น special name หรือมันเป็นพระพนามันเป็นวิสามัญนามเป็นนามที่เรียกเฉพาะตัว จับตัวมันได้ตัวนี้แหละยิ่งรู้ว่านิสาราคะนิสโทสะสะโมหะยิ่งชัดอ่าเลยจะเป็นสาราคะชนิดหยาบหรือกลางหรือละเอียดอะไรเป็นวิทยกรรมกิเลสหรือปริยุทธานกิเลสหรือเหลือแค่อนุสัยกิเลสเป็นอาสวะเท่านั้นก็ต้องมียานเข้าไปจับรู้ตัวนั้นตัวนั้นจริงๆแล้วฆ่าถูกตัวมันทําตัวมันให้มันบางมันจางมันคลายมันตายมันดับสนิทได้ ด้วยความสามารถรู้ทำอย่างรู้รู้เลยสัจธรรมพูะเจ้าเนี่ยเป็นยอดวิชาเลยปฏิบัติแล้วต้องรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่งมงายไม่ใช่คำคลามัวมืดเดาเดาไม่ใช่ต้องชัดเจนจำแจ้งแม่นคมชัดลึกอาตมาอย่างน้หนังสือพิมพ์คมชัดลึกเอาคำของเราไปตั้งเป็นชื่อหนังสือว่า ต้องแม่นดีไม่เอาไปหมดแลมีคําว่าแม่น น, นะแม่นตรงต้องแม่นต้องตรงต้องคมต้องชัดต้องลึกไม่ใช่ไม่แม่นตรงคมชัดลึกต้องจับมั่นคั้นตายตอนนั้นถ้าเราได้ปฏิบัติเราได้เรียนรู้แล้วไปปฏิบัติจริงอย่างที่อาตมาว่ามุทุพุทธธาตุเกิดมันจเจริญขึ้นเรื่อยมุทุพุทธธาตุในมุทุพุเตนะ จเจริญมันยิ่งมีปัญญาแวววายเข้ายิ่งรู้ได้ดเร็วยิ่งปฏิบัติเนี่ยพิจารณาทันเร็วขึ้นรู้วิจัยเข้าไปตัวธาตุตัวนี้มันเกิดนะมันจเจริญมันสามารถพัฒนาได้มรรคทูปุตตะธาตุนี้กรรมนิยะก็เป็นกรรมัญญามันจ ะ, จะเจริญก็เรื่องการการะทําต่างๆกายกรรมวจิกรรมนโนกรรมหรือการการะทําอะไรแล้วแต่ไม่ว่าจะกำรบ ร, ริไม่ว่าจะาพูดไม่ว่าจะ มีทางกายกรรมหรือทําอาชีพการก ร, กรรมต่างๆการกระทําต่างๆงานต่างๆมันก็จะดีขึ้นทั้งนั้นเลยแนวบัตรกรรมมณีะงานเหมาะควรในการงานทันแปลเป็นจำนวนเป็นภาษาเหมาะควรในการงานาก็ฟังภาษาก็ารู้เราว่าเหมาะควรในการงานแต่มันเป็นยังไงไปขยายความแล้วมันมีสภาพยังไงก็เหมาะควรในการงานน่ะอาจารย์ที่ขยายไม่ออกก็จะวางนันนะถ้าอาจารย์ที่ขยายออกก็จะพูด เข้าใจได้ว่าอ๋อมันหมายถึงสภาพอย่างนี้มุทุพูเตกรรมณิเยเสร็จแล้วก็สั่งสมลงจิตของเราก็จะทําให้เกิดจิตแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นเป็นทีเตอเนชัปเตเตทีเตก็ตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่แข็งแรงไม่หวั่นไหวอเนชัปเตเตสั่งสมความตั้งมัน่นความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแข็งแรงจริง อะไรมากระทบกระแทกก็ไม่กระเทือนไม่หวัน่นไม่ไว้ไม่เอ็นไม่เอียงไม่เกิดกิเลสขึ้นมาเลยจิตก็เป็นตัวอเนญชาจิตก็เป็นตัวที่มั่นคงแข็งแรงไม่หวั่นไหวไม่กระเทือนไม่บูบววบอีกแล้วจะกระทบกระแทกอย่างไรก็แข็งแรงเป็นองชาเป็นคุณลักษณะของชาที่ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลยางงั้นจริงเมื่อเราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่สมปัฏานสี่ พิจารณากายเวทนาจิตธรรมจิตก็จิงแต่จิตก็บอกแล้ว เ, เจตัวปริญญาสิบหกอาตมาก็คงไม่ต้องไล่ไล่ไปมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวเวียนหัวตายเนี่ยอาตมาไล่มาหลายตัวแล้วนะหลายหมวดหลายสูตรแล้วไปทบทวนทักพระว่าเราเรียนไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอาตมาไม่ค่อยได้ท่องหรอกอะไรอะไ ร, ะไรพวกนี้ไม่ได้ท่องหรอกมันมีสภาว่าแล้วมันก็โอ้มันก็จําได้มันก็ลักษณะมันไดเรียงก็มันอยู่นะพวกเราก็ใครจะท่องมั่งก็ดี ถ้ารู้พยัญชนะรู้ภาษามันก่อนก็ดีมันก็ไหลเรียงเพราะภาษาพระเจ้าท่านตรัสไว้นี่มันจะเรียงลําดับของมันต้นกลางปลายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรบางทีก็ไปสลับหัวสลับผางบ้างในบางอันแต่มันก็มีระบบมีระเบียบของมันอยู่มันจะเข้าใจได้ดีเข้าใจได้ง่ายยิ่งปฏิบัติมีสภาวะของจริงแล้วยิ่งจะทําให้เราจําได้ง่ายไม่ต้องไปท่องไปอะไรมันก็จะจําได้ภาษา ก็กำหนดภาษาเรไปบ้างก็จะจำภาษาได้ภาษาบางทีมันก็เรือ่อยังอาตมาเนี่ยนานๆก็เรื่อมันลืมภาษาคำนี้ว่าไงว่าไงแต่สภาวะที่มันได้แล้วมันจะไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หายไปไหนหรอกเป็นแต่เพียงว่าเราลืมภาษามันหน่อยเท่านั้นเอง เ, ออเมื่อเรามีสติปัฏฐานสทําาทำในธรรมก็คือกุศลอกุศลเป็นหลักสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องสิ่งที่ดีไม่ดีเป็น สภาพต่างๆที่วิเคราะห์วิจัยทําวิจัยมีธรรมวิจัยวิจัยออกได้หมดเป็นจิตเจตสิกก็ธรรมะทั้งนั้นแหละนะเป็นตัวธาตุต่างๆอะไรต่างๆลักษณะกุศลอกุศลเป็นหลักใหญ่นะกุศลาธรรมะกุศลาธรรมาามาหรือแม้แต่เป็นอัพยากธารธรรมมาเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่มันไม่มันมันเฉยๆเฉยๆอย่างเคหสิตะแบบโลกโลกหรือว่าเฉยๆ อุเบกขาไปเคหัสิตาอุเบกขาหรือเนคขมัสิตาอุเบกขาเนคขมมะก็หมายความว่าเราปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นเพื่อละออกมาจากโลกีทั้งหมดจะเป็นกามก็ตามเป็นอัตตาก็ตามล้างออกมาลดออกมาได้ได้เรื่อยๆขบัญญัติกันอยู่แต่แค่กามออกมาออกจากกามเนคขมมะนี่ก็แปลว่าออกจากกามแต่ไม่รู้จักอัตตาเลยมันต้องออกจากอัตตาด้วยนะเขาก็พูดแต่ตอนต้น หยาบสุดท้ายคาสอนก็เหลือแต่ตัวหยาบตัวต้นเพราะว่าอธิบายไม่ถึงตัวหยะตัวละเอียดตัวปลายสักทีหนึ่งมันเรื่อคําสอนเขามันค้างเลยสอนได้แต่ชั้นปหนึ่งชั้นมหสอนไม่ถึงเลยลืมไปเลยเลยนึกว่ามันไม่มีเพราะเน่คัมมาไม่ใช่มันล้างแต่เฉพาะกามล้างอัตตาด้วยมีอัตัถะต่างๆที่ไปยึดไปติดอยู่นึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อัตทัถะ หรืออัตตะเลยก็ได้ไม่ต้องมีตัวทอทหารอัตตะกับอัตทะอัตทะนี่แปลว่าประโยชน์ไปยึดนึกว่ามันประโยชน์อัตตาที่เป็นประโยชน์จริงมันมีอัตตาที่เป็นประโยชน์บ้างแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้แม้จะเป็นอรหัตตาคืออรหัตอรหัตตะแม้จะเป็นตัวนั่นแหละมันได้ถึงขั้นไม่ลึกลับแล้วอรหับแล้วว่าไม่ลับไม่ลึกไม่ลับแล้วทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วก็ตาม จะเป็นถึงขั้นอรหัตตาก็ไม่ยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นเรานะนะัมมัญติไม่ยึดมัน่นไม่สำคัญมั่นหมายนะัมมัญติว่าเป็นเราคือเมเมในแปลว่าเราอันเป็นเราของเราไม่ไม่ยึดว่าเป็นเราอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นรายละเอียดขั้นสุดนะเป็นขั้นสูงแต่มันก็ต้องอาศัยบางทีต้องใสศอัตตาบางอัตตานะที่อาศั ย, อ า, าา อ, าศยอาศัยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงไม่ อาตานี่มันลึกส่วนกามนันม้นไม่ต้องไปอาศัยก็ได้นะลดมาก่อนนายเป็นส่วนหยาบยิ่งต้นเรามีพิจารณา4สติปทานสีสมปทาน4อิทิบาท4ีอิทิบ า, บา 4, ทสี่ต้องมีเสมอเลยอิทธิบาทนี่เด็กๆก็เข้าใจแล้วนะฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาต้องมีความยินดีในการกระทําในการประพฤติมีวิริยะมีความเพียรมีอาการเอาใจใส่จิตตะอาตมาปแปลว่ามีจิตเท่าไรโถมใส่เข้าไปให้เต็ม พระอะไรที่เป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายแล้วพิจารณาแล้วว่าเราจะมุ่งหมายเรามีความยินดีมีความเพียรแล้วมีใจเท่าไหร่โถมใส่เข้าไปกับสิ่งนั้นกิจนั้นการกระทํานั้นให้เต็มๆแ้วมันจะมีแรงอิธิบาตจะมีผลแล้วก็พิจารณาด้วยไม่โถมไปแล้วก็ไม่รู้จักอะไรต้องมีวิมังษาต้องมีตรวจตราตรวจสอบพิจารณาวิจัยดูให้ละเอียดละอ อะไรดีอะไรต้ออะไรไม่ดีอะไรจะต้องปรับอย่างไรอะไรอะอย่างไรก็ต้องมีวิมังสาอิธิบาตสีสมัปประธานศีจะเป็นตัวฐานปฏิบัติจริงๆมีสังวรประธานประหารประธานแล้วก็ภาวนาประธานอนุรักษณาประธานนี่เป็นต้นเราก็จะต้องสังวรคือระมัดระวังปฏิบัติจริงๆสังวรประธานประธานนับแปลว่าความเพียรเพียรทำ ที่เพียทรทําให้มีการสังวรเสมอเพียรให้มีการสังวรมีการปฏิบัติระมัดระวังให้รู้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะทําอะไรกับการปฏิบัติธรรมแม้ทํางานทําการอะไรก็ปฏิบัติ ด, ด้วยเพราะว่าของพุทธนั้นปฏิบัติธรรมทุกอิรยิยาบถมีวิปัสสนาได้ทุกอิรยิยาบถไม่ต้องเป็นนั่งตับตาแล้วก็วิปัสสนาออย่งวิปัสสนาง่ายๆนั่งดูจิตของตัวเองไม่มีอะไรกระทบเลยตาหูจมูกลิ้นกายปิด ไม่รับรู้อะไรอยู่แต่ใจอย่างเดียวมันง่ายอย่างนั้นง่ายของพุทธนี่ยากกว่าเยอะเห็นรูปได้ยินเสียงปฏิบัติอย่างไรอยู่ก็ปฏิบัติไปหมดมันจึงจะเกิดฌานแบบพุทธมีมุทุภูเตกรรมนิเยทตทิเตเนชปะเตเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ฉะนั้นก็ไม่เกิดสภาพพวกนี้นะเพราะเรามีสงวรประธานมีปานประธานมีการปรานะนี่ปานะแปล ว, ว่าทาลายแปล ว, ว่ากาจัด แล้วก็กำจัดกิเลสมีพิจารณาแล้วตั้งแต่สติปัฏฐานสี่รู้ว่าตัวไหนจะประหารตัวไหนจะทำลายแล้วก็ระมัดระวังสังวรเรียกว่าสังวรปัฏฐานแล้วก็มีประหาปรปัฏฐานจนเกิดผลเรียกว่าภาวนาปัฏฐานภาวนาปัฏฐานแปลว่าการเกิดผลการทำให้เกิดผลมันก็จนเกิดผลได้สำเร็จได้ผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเจริญขึ้ น, ร น, นหรือสำเร็จเลยทีเดียวอะไรก็ตามใจมันมีผลจริงที่เราได้ปฏิบัติ เป็นภาวนาประทานแล้วก็อนุรักษณาประทานรักษาผลอนุรักษณาก็คือการรักษาผลที่ได้นี่สมประทาน4ี่อิทิบาสสีสมประทานสีสติประธาน4เลข4ีนี่หมวด4นี้เป็นตัวปฏิบัติชัดๆเลยแล้วสั่งสมลงเป็นอินทรี่ห้พละหอินทรีย์ก็บอกแล้วอธิบายฟังแล้วสุขกินรี่ทุกินสี่สมน ส, นสินรีย์อะไรพวกนี้คื อ, คอน้ําหนักน้ําเนื้อของมัน มันจะเสริมเป็นอินทรีย์เสริมเป็นพละท่านแปลเป็นภาษาอินทรีย์แปลว่ากําลังหรือความเป็นใหญ่ในตัวเรามันมีความเป็นใหญ่มันะจะเจริญขึ้นมันใหญ่ขึ้นมีอะไรใหญ่ขึ้นบ้างนะศรัทธามีอะไรม้างอินทรีย์ห้าพละห้าอะไรบ้างทวนเออยังมีคนพอจําไดออ้อัตมาไม่ตายตาเหลือก ยังตายตาหลับได้ยังมีจําได้บ้างนะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสัตินรียก็ตามโอ้ไม่ใช่อินทรีย์ก็ตามพะละก็ตามมีหเหมือนกันพะละก็อันเดียวกันคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสัต อ, อินทรีย์ก็เหมือนกันมี5เหมือนกันแต่มันต้องต่างก็แปลคลายกันพะละแปลว่ากําลังอินทรีย์ก็แปลว่ากําลัง เป็นใหญ่เหมือนกันก็แปลภาษามันใกล้ใกันคล้ายกันจริงๆมันลักษณะเดียวกันแหละแต่มันต้องต่างกันเนี่ยไม่งั้นจะจะมาแบ่งเป็นหมวดอินทรีย์หมวดพละทําไมท่านก็เรียกอันเดียวกันไปเท่านั้นดีแต่แบบมันมันมันคือตัวเดียวกันใช่ไหมมันตัวเดียวกันนะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเหมือนกันหมดแหละแต่มันต่างกันตรงที่ว่าศรัทธานั้นเป็นสภาพเนื้อกําลัง ส่วนพระละนั้นเป็นกําลังตัวปลายบางทีท่านก็แปลว่าผลพระละนี่แปลว่าผลมันเป็นผลแล้วอินทรีย์เป็นมรรคพระละเป็นผลเพราะฉะนั้นศรัทธาที่เริ่มศรัทธาจนกระทั่งเกิดสัทธินรียจนกระทั่งเกิดศรัทธาพระละเริ่มเชื่อศรัทธานี่คือเชื่อหรือว่าเห็นหรือเข้าใจศรัทธานี่มีความเห็นอย่างนี้แล้วมีศรัทธามีความเชื่อถืออย่างนี้แล้ว มีความเข้าใจมีความเห็นมีความเชื่อบางบางทีเชื่อมอย่างไม่เข้าใจก็มีไอเชื่ออย่างไม่เข้าใจนี่มันไม่ได้เรื่องอะเชื่อต้องเชื่ออย่างเข้าใจมีการพิจารณามีการทบทวนมีการหาเหตุหาผลหาหลักฐานหาอะไรน่าเชื่อไม่ใช่ว่าเชื่อกันโดยไม่มีเหตุผลอะไรเชื่อไปไม่เข้าถ้าอย่างงี้มันก็งมงายนะมันศัพทินรียหรือศรัทธาศรัทธาเชื่อสัพธินรียก็มีความเชื่อสูงขึ้น มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายก็ปฏิบัติไปจนกระทั่งศรัทธาสมบูรณ์เป็นศรัทธาพละเป็นกำลังหรือเป็นผลนั่นสมบูรณ์เป็นศรัทธาพละวิริยะก็เหมือนกันวิริยาที่เริ่มต้นกับมีความเพียรเพิ่มความเพียรขึ้นมามีกำลังงความเพียรสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นคนเราที่มีความเพียรสูงขึ้นเนี่ยสังเกตได้ ถ้าใครที่ปฏิบัติทำแล้วมีความเพียรดีขึ้นโอ้ยิ่งฉันทะ ก, ก็ดีวิรยกกวิยะก็ดีฉันทะ ก, ก็ดีวิรยกกวิยะก็ดีฉันทะก็ดีวิริยะก็ดีใจก็มาเป็นอันนี้มาเรื่อยๆมันนี่เป็นอิทธิบาทเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละตัวจริงก็เป็นตัวจริงแล้วปฏิบัติธรรมก็ยิ่งเชยยิ่งเหนื่อยยิ่งนายยิ่งเบื่อยิ่งไม่เอาไอ้อนี่มันไม่เข้าท่าแล้วไม่เข้าแล้วมีแต่ออกลูกเดียวสักวันหนึ่งก็ถึงนรกถอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงนรก แต่ถ้าศรัทธางี้เข้าไปแล้วเห็นกําลังของศรัทธาของเรายิ่งเชื่อยิ่งเข้าใจยิ่งยินดียิ่งฉันทะยิ่งมีความเพียรแข็งแรงมากขึ้นยิ่งจิตตะยิ่งเป็นใจเลยใจเอาใจใส่ไม่ต้องเอาใส่มันก็ใส่แล้วใจมันเต็มใจมันท่วนใจมันภูนใจโอ้ยิ่งเจริญใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอิทธิบาทซ่อนไปด้วยนะเพรา ะ, ะนั้นเมื่อศรัทธาดี ขึ้นมามันจะนําให้เกิดวิริยะนะมันเชื่อยิ่งเชื่อฟังนี่ปฏิบัติยิ่งเห็นผลไปสูงซึ้นสูงขึ้นเป็นกําลังอันสูงขึ้นไปหาสัตถาพะระวิริยะมันยิ่งจะเพียนมันยิ่งจะขยันมันยิงจะโอ้ง่ายขึ้นเลยเพียนก็ง่ายวิริยะขยันง่ายขึ้นมันไม่ติดไม่ขัดมันไม่มีอะไรมาต้านมาข้องมาบังเลยต้องอ่านนี่เป็นสสัดส่วนที่แท้จริงเป็นเป็นสภาพที่จริงเนื้อมาปฏิบัติทําแล้วมันจะเป็นอย่างไงนะ เมื่อเข้าไปถึงวิริยะแล้วมันจะยิ่งเจริญสติก็จะใสขึ้นสติก็จะเร็วขึ้นความรับรู้ตัวความรับเข้าจะความเห็นความที่ไม่เพ้อไม่ไพรอะไรมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะมันจะไม่เหนื่อยลืมคล้ายๆไม่สติก็จะยิ่งดีตั้งมั่นสมาธิ ส, ส, สมาทินีกําลังของสมาธิกําลังของความตั้งมั่นก็จะสูงขึ้นจเจริญขึ้นจนกระทั่งเป็น มีปัญญาเขารวมตกลงองค์5เนี่ยจะพันกันเกิดขึ้นมาเรื่อยเลยมีสธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหมุนเป็นพลังจากอินทรีย์ขึ้นไปเป็นพละจากอินทรีย์ขึ้นเป็นพละเพระาะอินทรีย์ห้าพละห้านี่คือคือสภาพเกิดสภาพเป็นจากการปฏิบัติองค์4เกิดเป็น5มีทิศดีหลักในการปฏิบัติคือ7 8ด เอะไรโพ ธ, ธชงเจ็ดอะไรมรุกองแปดนะสี่ห7าเจคือโพธชงเวลาปฏิบัติธรรมต้องมีโพชชงและปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในวิถีทางการดําเนินมรุกองแปดขาดขาดไม่ได้หายไม่ได้สองอันนี้ขาดหายไม่ได้พระพุทธเจ้าเกิด มรรคองแปดหรือโพธชงเจ็ดจึงเกิดถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดมรรคองแปดไม่มีหายโพธชงเจ็ดก็ไม่เกิดโพธชงเจ็ดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นโพธชงเจ็นี่พระพุทธเจ้าเกิดโพธชงเจ็ดจึงเกิดเขาก็เลยเอามาที่บายพระพุทธเจ้าเกิดมาก็เดินเจ็ดก้าวเลยโพธชงเจ็ดเดินย่างย่างเจ็ดข า, ขาเลยเจ็ดก้าวดอกบัวรับเป็นดอกตดอกไปเลยอธิบายเป็น อุคลาทิฐานอธิบายเป็นรูปธรรมก็เข้าใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเกิดก็คือพุทธะเกิดคุณธรรมของพุทธเกิดขึ้นมาทีละกทีละกทีละก้ามีสติเกิดมีธรรมวิจัยเกิดมีวิริยะเกิดมีปิติเกิดมีปัสสธิเกิดมีสมาธิเกิดมีอุเบกขาเกิดแต่นี้เป็นต้น เป็นโพดชงทั้ง7สติธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบคานี่เป็นโพชชงทั้งเจและจะเกิดอย่างนั้นจริงๆององสามโพดชงสามเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติธรรมวิจัยและก็วิริยะ สติเข้าไปสติธรรมวิจัยวิริยะ3องค์มนี่โพชฌงสามนี่เป็นตัวปฏิบัติมีสติก็สติปทานสี่นั่นแหละมีสติแล้วก็พยายามปฏิบัติให้มีสติพิจารณากรสิตสติปทาน4ี่พิจารณาก็คือมีธรรมวิจัยซ่อนเข้าไปมีตีรณัปริญญามียาตาปริญยาตีรณาก็ธรรมวิจัยนี่แหละวิจัยเข้าไปวิจัยธรรมวิจัยให้ละเอียดทั้งนอกทั้งในใอะไรวิจัยให้ครบ แล้วมีวิริยะเป็นยาดำแทรกอยู่ในในในความเพียร น, นี้ต้องมีเสมอเป็นยาดำขาดไม่ได้เราขาดวิริยะแล้อะไรอะไรก็ไม่เดินมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะเป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วก็จะเกิดผลมีปิติเกิดมามีปัสสติเกิดมาสั่งสมมาเรื่อยๆเกิดปิติเกิดปัสสติเกิดปิ ต, ปติอัตมาถึงแปลปิติว่าได้ดี นั้นได้ผลดีขึ้นมาเรื่อยเมื่อได้ดีเราก็ยินดีในสิ่งที่ดีผลที่เราได้นะและตอกจากพผลได้ได้ดามาแล้วผลแท้ๆมันคืออะไรมันปัสสธิมันส ง, งบส ง, งบลงไปกิเลสเราทําลายมันได้เรื่อยๆมีโพชฌงสามนั่นแนหะทำให้ทำลายกิเลสมีตีมี ป, ป ร, ริญญาสามีมโพชฌงสามมีป ร, ริญญาสามทำลายกิเลสได้เรื่อยก็เข้าสู่ปัสสธิเรื่อยๆปัสสธิก็มันก็ส ง, งบระงับไปเรื่อยๆ สั่งสมเป็นสมาธิตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นเรื่อยผลของสมาธิก็คืออุเบกขารู้จากทุกข์รู้จักสุขสุขแบบโลกีเสร็จแล้วมันก็เพราะมีเหตุเป็นทุกข์มีเหตุเพราะว่าเป็นเหตุนี่แหละสมุทยัยทุกสมุทัยนี่แหละเหตุแห่งทุกข์นี่แหละลดโรเหตุแห่งทุกข์นี่แหละสุขมันก็คลายไปเอง พอลดเหตุแห่งทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะไม่ได้ดังใจนี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ลดไปเรื่อยๆสุขก็หายไปเรื่อยๆเพราะงั้นสุขกับทุกข์ของเทหสิตานี่ก็ะจางคลายไปเรื่อยๆเบาบางไปเรื่อยๆมันก็ไปสู่ความสงบไปสู่ความสุขที่เป็นสุขโดยไม่จําเป็นจะต้องไปมีโลกีก็ลดโลกีลดลงไปเรื่อยๆอะไรโลกีอย่างที่เราติดก็ลดลงไปเรื่อยๆไปหาอุเบกขา บางเฉยหรืออสุอทุกขมสุขอทุกขมสุขมันก็ไม่ทุกไม่สุขไม่ทุกไม่สุขเพราะทำถูกลักษณะของมันจับบินลาดินใหญ่มาจับบินลาดินกลางมาจับบินลาดินน้อยมาทำลายไปเรื่อยนี่บินลาดินได้ยินทด้หาวอัตมาจับเขามาฆ่านะก็ อ, อาศัยภาษาขออภัยก็อาศัยภาษาไม่ได้ไปโกรธเคืองไม่ได้ไปรู้จักมักจีอะไรกันหรอก ไม่ได้เป็นดับบรูบุตรอะไรไม่ได้เป็นจอตดับบรูบุตรอะไรหรอกไม่ได้ไปพยาบาทอาฆาตจะข่าแกงอะไรขอจื่ภาษามาหน่อยท่านเองเพื่อใช้สื่อให้พวกเราฟังดูมันแปลกหูไปนิดนึงแต่ก็รู้ประส ม, มุติหมายว่าอะไรกันแล้วกันอย่าสับสนนะไปตัวเป็นตนไปหาบิลาดินหนวดยาวไม่ได้ น, ะนี่หมายความว่าเป็นตัวกิเลสตัณหาอุปทานนี่เราก็สื่อแทนไปอย่างงั้นเองแหละ Yeah. Yeah. บินลาดินไม่เอาบินไกลแล้วกันหนวดมีหนว ด, ดมีเค้าด้วยออบินไกลจับบินไกลได้แล้วเอาเลยค่อยๆถอนหนวดให้หมดเลยเดี๋ยวบินลาดินไปว่าเขานะเอาบินไกลกันแล้วกันสมมติเอาบินไกลลดลงไปได้จริงๆนี่เราต้องเป็นคนที่มียานมีดวงตาไม่ใช่ทําอะไรกับมองสายลังเลเป็นความชัดคมเป็นความแม่น เป็นความถูกต้องสัมมาถูกแท้ถูกท่วนโดยชอบถูกต้องสัมมาเนี่แปลว่าถูกแท้แปลว่าถูกท่วนโยนิโสไปว่าถูกตัวเกิดลงไปถึงที่เกิดโยนิโสแปลว่าแยบคายแปลว่าท่องแท้ท่องแท้แน่แน่ท่องแท้แยบคายลงไปถึงตัวที่มันตัวเกิดเลยทำลายถอนตัวเกิดเลยโยนิโสลงไปถึงที่เกิด โยนิโสมนะสิการทำใจในใจของเราอ่านใจในใจของเรานะเมื่อปฏิบัติแล้วมันลงไปถึงใจของเราแล้วก็วิเคราะห์วิจัยของเรามณัสสิที่ใจเลยในใจเลยแล้วก็แยกแยกจนกระทั่งจับมันได้มันได้แม่นทำลายถูกตัวมันลงไปถึงที่เกิดเกิดอะไรเกิดอกุศลทั้งหลายแหละโยนิโสลงไปถึงที่เกิดนะอย่างนี้เป็นตน้นะ ภาษาความหมายแปลว่าโ ย, โยนิก็คือเกิดโยนิโสนั่นแหละแหล่งแท้ๆเลยตัวนั้นแหละโสนี่ตัวนั้นแหละตัวที่เกิดตัวนั้นแหะโยนิอย่างแม่นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นภาษาก็สื่อสภาวะทำปฏิบัติจนกระทั่งเราครบครันมีสมปทานมี อ, อินทรีย์พระละมีโพชชงมีมรรคแปดปฏิบัติทุกเวลาก็จะเกิดโพชชงก็เกิด ตามทางมรรคองค์8เนี่ยซึ่งเป็นสูตรใหญ่ฟังไปนี่เราก็จะเกิดทิฏฐิความเห็นความเข้าใจหรือเป็นทฤษฎีทิฏฐิก็คือทฤษฎีแหละทฤษฎีเป็นภาษาสันสกฤตทิฏฐินี่เป็นภาษาบาลีตัวเดียวกันแปลว่าความเห็นแปลว่าความเข้าใจแปลว่าหลักเกณฑ์แปลว่าลัทธิแปลว่าความเชื่อถือความเห็นนั่นแหละตัวนี้แหลพะพอเกิดสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาทฤษฎี เกิดสมารถสติหรือสมาธิทิฏฐิเราก็เริ่มต้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้นะเมื่อมีสมาธถทิฏฐิแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติอยู่ในอิริยบท4อิริยบทของสังกัปปะอิริยบทของวาจาอิริยบทของกรมมันตะอิริยบทของอาชีวะมี4นะมันจะมีกิริยาของ4นี่กิริยาใน สังกปะกริยาทางวาจากริยาในทางการกระทําทุกอย่างกริยาในการประกอบอาชีพแล้วก็มีสมาวายามะสมาสติมีความพยายามจะเกิดตามสมาธิิถ้ามิจฉาทิฏฐิไอ้เจ้าพยายามกับไอ้เจ้าสติเดียวันเดียวกันมันจะไปได้วยกันเป็นขี้ทูดกับหูอุจจากหูก็ขี้ทูดไหขี้ทูดนี่มันมักกินหูก่อน หูนี่จะค่อยๆเปื่อยมีน้ำเหลืองย้อยก่อนเลยหูเนี่ยหูจะค่อยๆด่วนก่อนกิท <c oughs> ูดเนี่เนื้อมันอ่อนกิ้ทูดนี่มันชอบกินหูอ่ากิทูดนี่ไทกอไทกอกิทูดนี่ไทกอ <c oughs> โรคไทกอขี่เรือนกิทูดขีด้เรือนจะกินนะเออ หูหนาขึ้นกินหวายอยมีฤทน้ำเหนืองอะไรนะมันจะไปได้กันมาได้กันเลยนะถ้าสมาธิวายามะกับสติก็จะสัมมาด้วยถ้ามิจฉาทิฐิถ้าเข้าใจผิดวายามะตัวพยายามสติที่ไปเป็นสติร่วมกับทิฐิก็เป็นมิจฉาด้วยเป็นมิจฉาสติเพราะสติจึงมีได้ทั้งมิจฉามีได้ทั้งสัมมา สติอาตมาแยกวิเคราะห์อิฟังกันเป็นสติมีทั้ง3อย่างสติของปุตุชนเขาก็มีความระลึกรู้ตัวเพราะฉะั้นสอนตัวกว่านี้สอนด่วนเออมีสติรู้ตัวก็ใช้ได้หมดเลยมันจะไปใช้ได้หมดเลยยังไงมันยังมีมีรายละเอียดทั้งเยอะสติอย่างปุตุชนสติอย่างกัลยาณชนสติอย่างอริยชนมีความระลึกรู้อย่างที่มีเหตุปัจจัยของเราได้ศึกษามาได้เตรียมพร้อมได้ปฏิบัติ อย่างปุถุชนมันมีสติมันไม่มีความปฏิบัติอะไรมันก็เป็นโลกีเป็นอะไรอะไรมัวๆปฏิบัติผิดปฏิบัติไปตามอำนาจกิเลสก็ปุถุชนเป็นอย่างมีสติไม่มีสติมันจะโกงได้เหรอไม่มีสติมันไปขโมยมันยัขโมยได้เหรอมันต้องขโมยระมัดระวังจะตายยังใช้สติอย่างไรดีอะขโมยอะมันจะก็ทำการคิดโกงเข้าไม่ใช้สติสัมปชัญญะปัญญาไม่ใจะโกงก็ถูกเหร มันจะทำลายเขามันจะอะไรก็แล้วแต่ทำเล็วทำชั่วได้สติปุตุชนก็ทำไปตามอำนาจกิเลสชั่วก็ชั่วดีก็ดีแล้วแต่ฐานจิตของคนส่วนผู้ปรารถนาดีตั้งใจดีเป็นกัลยาณชนเป็นคนที่มุ่งหมายดีก็พยายามทำสติของตนเองให้ดีเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีก็เอาไม่ดีไม่เอาก็เป็นคนที่มีสติกัลยาณชนก็ปฏิบัติตนเองสิ่งใดไม่ดีไม่ทำสิ่งใดดีก็พยายามทำ เลี่ยงไม่ดีก็เป็นคนดีส่วนอารยชนนั้นมีสติถึงขั้นสติปัฐานสี่ถึงขั้นสัมมาสติถึงขั้นสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์นี้เป็นสติที่เป็นองค์แห่งการตรัดสูรเป็นสติที่พร้อมเป็นสติที่ทํางานถูกต้องทํางานอย่างมีมรรคผลทํางานเป็นองค์ที่จะเข้าไปสู่ความตัดสูรความบรรลุนิพพานบรรลุโลกุตตรธรรมเลยสติสัมโพชฌงค์จึงไม่ใช่สติสามัญ สติที่เป็นองค์แห่งความตรัสรู้เป็นลักษณะสติระดับโพธิหรือระดับโพชช ะ, ช ะ, ชะองค์แห่งโพชะแปลว่าความตรัสรู้สติสติที่มีคุณภาพมีคุณลักษณะมีคุณภาพถึงขั้นสติที่ทำงานปฏิบัติธรรมเข้ามรรคเข้าผลเป็นผู้ที่อยู่ในองค์มรรคปฏิบัติสัมมาเรียมรรคได้สัมมามรรคได้เข้าทางสัมมาปฏิบัติถูกทาง สติไม่ถูกทางไม่เรียกสติสัมโพชฌงค์สติที่ถูกทางสติที่ปฏิบัติแล้วดำเนินมีมรรคมีผลนั่นแหละเรียกว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์เมื่อเรามีสติสัมโพชฌงมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยก็ต้องเป็นธรรมวิจัยวิจัยอะไรก็ได้ทุกวันนี้เขาได้เงินได้ทองมาจากสำนักนั้นสำนักนี้มาจากสถาบันนั้นวันนี้เอามาวิจัยวิจัยอะไรต่างๆนานาได้หมดวิจัยธรรมดาทำวิจัยก็ได้เราวิจัยอะไรก็ได้วิจัยเรื่อง แม้วิจัยชื่อว่านี่เราจะปล้นนี้มันจะทำอย่างไรวิจัยกันสินี่เหตุปัจจัยในการปล้นข่าวข่าวนี้การที่จะไปงัดเซฟบ้านนี้เนี่ยต้องวิจัยหาวิธีการตอนไหนดีวิธีการทํำยังไงก็วิจัยอย่างนั้นน่ะวิจัยเลววิจัยชั่วอะไรก็ได้ทำมาวิจัยก็อกุศลอกุศลธรรมก็วิจัยอย่างอกุศลถ้าทำมาวิจัยวิจัยอย่างกุศลมันก็วิจัยอะไรก็ได้ยิ่งวิจัยเป็นปรมัติ วิจัยสิ่งที่มันเข้ามาในจิตเจจะเสกวิจัยสิ่งที่สัมผัสเป็นทางปฏิบัติโลคุตระธรรมหรือปรมาถธรรมก็ยิ่งวิจัยลึกซึ้งวิจัยได้เป็นธรรมวิจัยสัมโพธชงการวิจัยอันนี้วิจัยเพื่อทําตนให้บรรลุนิพานทําตนให้เดินในทางโลกุตระเป็นอริย ะ, จะเจริญขึ้นเรื่อยๆนี่คือการวิจัยระดับธรรมวิจัยสัมโพธชง ความเพียรวิริยะความเพียรสัมโพธชงวิริยะสัมโพธชงก็คือกันกับพวกนั้นธรทำวิจัยหรือสติต้องเป็นการเพียรเพียรอะไรก็ไม่ไอโจรมันเพียรปล้นไอคนคิดโกงจะคอรับชั้นมันก็เพียรที่จะคอรับชั่นไ อ, ไอหนุ่มเพียรไปจีบสาวไ อ, ไอหนุ่มไอหนุ่มคนนี้มีเมียด้วยนะไปหาจีบสาวใหม่ก็เพียรเหมือนกัน เพียนไปหาเรื่องมีสาวใหม่อะไรมันก็เพียนอะไรได้ทั้งนั้นแหะเพียนเร็วๆซ้ำๆยิ่งกว่าที่กล่าวนี้ก็ได้ความเพียนจึงมีมีเงื่อนไขมีหลักอธิบายมีองค์ประกอบที่ยืนยันชี้ชี้ว่าไปทางไหนเพียนไปทางไหนเพราะเพียนสัมโพธ์ชงมีคุณลักษณะความเพียนนี้ถึงขั้น เข้ามรรคเข้าผลจึงเรียกวิริยะสัมโพชงเพราะฉะนั้นโพชชงเจ็ดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เจริญเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมด า, าเป็นองค์ในการตรัสรู้สติก็ตามธรรมวิจัธรรมวิจัยก็ตามวิริยะก็ตามปิติตรสธิสมาธิก็ตามเพราะฉะนั้นสมาธิสัมโพชฌงจึงไม่ใช่สมาธิสามัญของลกโล ก, โลกไม่ใช่สมาธิทั่วไป สมาธิที่เรียนกันมาตั้งของฤาษีของใครมีตั้งมาเก่าแก่แต่ของพระเจ้านั้นของพระองค์โดยเฉพาะสมาธินี้ต้องเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิหรืออริโยสัมมาสมาธิเป็นสมาธิของพระอริยะหรือเป็นสมาธิอันประเสริฐแท้ๆโดยเฉพาะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าสัมมามันต้องเป็นอย่างนั้นนะสมาธิสัมโพชฌงกต้องเป็นอย่างนั้นนะ จนอุเบกขาเหมือนกันอุเบกขาเดออุเบกขาเฉยเยเฉยเออะวางเฉยไปเอาไปใช้เลือกเลืเลเลอเ ท, อ ท, อทอ่อะไรก็ได้นะตีหัวเขาเสร็จแล้วก็เฉยไม่รู้ไม่ชีก็อุเบกขาใครมาถามก็ไม่รู้วางแล้วเลิกแล้วไม่รู้จำไม่ได้นะทิ้งแล้ววางแล้วอุเบกขาอุเบกขาขี้โกงมนเนาะก็ได้แล้วก็ปฏิบัติกันอยู่นะ ปฏิบัติกันอยู่เหมือนกันอุเบกขาขี้หมานะ่ยนะอุเบขาขี้โกงแต่อุเบกขาพระเจ้านั้นมีคุณลักษณะอาการมันไม่ดูดไม่ผลักต้องอ่านจิตในจิตเป็นอุเบกขาประมัตดไม่ใช่อุเบกขาอะไรที่ไม่ขอทานนี่โพธชง์ทั้ง7จเนี่ยจะ ต, ต้องรู้จักคุณลักษณะทั้ง7ข้อว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันเข้าขั้นสัมโพธชงไหมถ้าคุณมีสัมโพธชงอยู่เข้าขั้นสัมโพธชงทั้ง7ข้อ คุณก็เป็นนักปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วก็ดำเนินไปสัมมาทิฐิเข้าใจถูกต้องเอาไปพยายามเอาไปมีสติปฏิบัติภาคเพียรให้มีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ปฏิบัติให้ดีพยายามให้ดีขณะคิดสังกปะขณะพูดขณะกระทํากรรมกิริยาต่างๆขณะประกอบอาชีพเอาไปปฏิบัติอยู่ในนั้นพร้อมเลยก็จะสังสมเกิดเป็นจิต ที่จะเกิดสมาธิหรือฌานสมาธิเกิดฌานเกิดสมาธิสังสมองเป็นสัมมาสมาธินี่องค์ทั้ง7ของมรรคในปฏิบัติแล้วก็จะเป็นสัมมาสมาธิพร้อมกันนั้นในสัมมาสมาธิก็จะเกิดสมาญาณสมาวิมุตชอนอยู่ในนั้นมันเดินมรรคทั้ง7จ็ดนี่แหละเป็นสําคัญติดเครื่องเนี่ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิสมาญาณสมาวิมุตสัมมาสมาธิถือว่าเป็นฐานของมรรคเหมือนกัน เพราะถ้ามนเกิดสมาสมาธิแล้วญาณไม่เกิดวิมุตติไม่เกิดถ้ามิจฉาสมาธิมิจฉาญาณก็เกิดมิจฉาวิมุตติก็เกิดแล้วเยอะเลยเดี๋ยวนี้มันผิดาศาสนาพุทธผิดผิดทางผิดเป้าหมายนะเลอะเทอะไปเยอะแยะเลยนะเพราะเราปฏิบัติครบหมดโพธิปักีธรรมสามสิบเจีนะ ในย่อละเอียดอะไรบ้างอัตมาก็อธิบายพอสมควรตามเวลาที่พอมีไม่ได้นั่งไล่ถ้าจะไล่กันเป็นคราวๆไปอธิบายละเอียดยก ต, ตัวอย่างไปทีละข้อทีละบทไปอธิบายกันไปเลยเหมือนกับอย่างอัตมาเคยอธิบายเ อ, ยเยอยเเ๊เคยอธิบายโพธิปักขีทำสามสิในงานพุทธาภิเศษปุกเสกเคยอธิบายยังไม่ดูแล้วก็เคยนะเคยเนอเคยเ อ, ยอธิบายแล้วอะไรชื่ออะไร นะไม่ใช่มีอะไรชื่ออะไรไม่รู้อันนั้นหัวข้อว่าอะไรที่อธิบายไปแล้วก็เคยเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่จะต้องเรียด อ, อนะถ้าเราได้ปฏิบัติถูกทางของพระเจ้าโดยหัวใจหลักทฤษฎีเอกๆพวกนี้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเป็นคนที่จเจริญในทางนี้นะเพราะงั้นในทางพระพุทธเจ้านี้ใครที่มีโชคได้มอบฟังได้มา ทำความเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้เอาไปปฏิบัติได้จริงก็นำพาตนเองเจริญขึ้นไปนะเรามารวมกันมาฟังทมกันอาตมาเทศบงังสมณะิกขมาดหรือแม้แต่พวกเราเนี่ยพวกอุบาสกอุบาสิกาบางคนก็เทศเกง่งนเะทศเกง่งเทศมากก็อาตมาด้วยนะก็มีก็ไม่เป็นไรช่วยกันเทศอนะย่ารำคาญ อย่านะรําคาญฟังธรรมฟังเทศอย่ารำคาญแต่คนที่เทศก็จะเทศมากซะจนน่ารําคาญเหมือนกันนอะมันมากเกินมันก็น่ารําคาญจะดีให้ตายยังไงเขารขําคาญแล้วเขาไม่รับเลยนะเพราะนั้นก็เอาแต่พอดีพอดีนะแม้แต่อัตมานี่เถอะถ้าอัตมาเทศกันจนมกมากมากมาก ม, า ก, ามก็เบื่อเหมือนันนี่แหละทีนี้มันก็ไม่มีเวลาให้อัตมาทำอย่างนั้นด้วยมันก็เลยพอดีพอดี แต่พวกคุณเนี่ยสิมันอยู่ด้วยกันใกล้ชิดมันก็เทศเจอหน้ากันก็เทศอยู่ไกลๆ ย, ยังเทศเลยนะไม่อยู่ไกลๆกัน ย, ย, ยังเทศกันเลยเทศจังเลยมันมากไปมันก็เลยอาจจะลาคานก็เทศในจังหวะพอเหมาะพอดีมั่งนะการถ่ายทอดการเทศการบรรยายเรื่องการอธิบายกันมันก็เป็นการเผยแพร่เป็นการนําพาเป็นการเกื้อกูลช่วยเหลือ ก, กันเพราะนั่นต้องเข้าใจสัจจ์พวกนี้ ในพวกเราเนี่ยเราเองเราเองได้รับสิ่งที่มันเป็นสัจจะคนที่มันมีปิติคนที่มันมีความรู้มันอยากทบทวนมันอยากจะบอกคนอื่นมันก็ดีอ่ะเราก็รับฟังบ้างทนเอาได้ให้ได้เพราะว่าทนในสิ่งที่ดีรับสิ่ง น, นี้ไปเถอะซ้ำซากก็ไม่เป็นไรซ้ำซากมันก็ได้ทำให้จำมากขึ้นยิ่งมีใหม่ๆมาเสริมด้วยอธิบายไปมีเชิงใหม่อะไรใหม่ๆอยังคุณดีง่ายเขานี่นะ รู้จะไม่ดีง่ายคุณดีง่ายไม่เรื่องมากอ่ะชื่อดีง่ายนามสกุลไม่เรื่องมากคุณหินอ่อนชาวหินฟ้าเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นดีง่ายแลวนามสกุลเขาจะเอาอะไรไม่รู้อาตมาบอกว่าเอาไม่เรื่องมากดีกว่าอาตมาตั้งใหมใหม่เขาตอนแรกเขาจะไม่เอาตอนหลังๆเขาก็ฟังอาตมาอธิบายแล้ ว, วไม่เรื่องมากนี่มันดียังไงมันคือความหมายยังไง ฟังไปว่าเออผมเอาเอ้าเอาเอา้เอ า, อานามสกุลไม่เรืองมากนี่เขาบอกฟังแล้วเข้าใจแล้วดีเขาก็เลยเอานะไม่รู้เขาจะเปลี่ยนอยังก็บอกเขาจะเปลี่ยนทางทะเบียนเลยนะนะเขาก็เป็นคนเนี่ยเป็นคนช่างคิดนะช่างใช้คําใช้ภาษาและพวกเรากระลำคาญว่าเขาพูดบ่อยพูดมากที่จริงเขาก็มีเชิงคิดที่ดีนะแต่พวกเราเนี่ยมันทนฟังไม่ได้ทั้งๆที่อา ต, ตมาว่าเขาพูดออกมาแต่ละทีแต่ะทีนี่เขา เลือกเฟ้นก็กรองหาคำมันได้เหมาะๆกันนะมีมีเทเลนตนะ์ในทางนี้นะมีพรสวรรค์ในทางนี้นะมันก็ดีเหมือนกันมันมีกีฟกฟหรือมีเทเลนต์ทางทางนี้มันรู้สึกว่าเออเขามีนะบางคนมันไม่ได้มีเหมือนเราอยากเป็นเหมือนก็ไม่เหมือนหรอกนะเพราะงั้นเขามีก็น่าจะเออแต่อย่างว่าอะไรแกก็มากเกินมันล้นไป มันไม่มีจังหวะจะโคนมันจนกระทั่งจังหวะนี้มันไม่ควรจะมาแทรกมาแซงมาอะไรมันก็มากไปมันก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยถูกต้องนะเราก็จะเงี้ยเป็นตัวอย่างนะเป็นบทเรียนแล้วก็ดูไปนะแล้วก็ปรับปรุงซะอะไรที่มันน้อยไปเราก็ทําให้มีอะไรที่มันมากไปเราก็ลดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะทําไป ในที่นี้เมื่อมามีโชคแล้วมีอะไรตรไรแล้วเราก็จะทํากันไปตามจังหวะนี่กีปก่ปีกี่ปีเราก็จะมีอะไรตรไรเพิ่มเติมหมุนเวียนอะไรที่มันไม่ดีแล้วใช่ไม่ได้แล้วเราก็เลิกก็หยุดไปอะไรที่มันดีก็ทําอยู่ให้มันคงให้แข็งแรงมันยังเป็นผลดีอะไรกับว่ากันไปอะไรที่ยังไม่ดีกับบุรณะขึ้นมาประยุกต์ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมานก็เกิดสภาพทั้งธรรมเนียมวัฒนธรรมจารีตประเพณีอะไรเกิดขึ้น ในหมู the the ium, ่พวกเราก็จะเป็นไปอย่างงี้เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาตมาคิดว่าได้เริ่มต้นนาพากันมาจะมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยพวกเรามีจารีตมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีงานมีการมีอะไรตระหนี่ต่างๆนานาจนกระทั่งมีอาชีพมีการดําเนินชีวิตเป็นอยู่ง่ายๆนะอาตมาว่าพวกเรานี่เทาเข้าหลักของพระเจ้าเลยเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบํารุงง่าย เป็นคนมักน้อยได้เป็นคนสันโดดได้เป็นคนขัดเกลามีศีลแข่งขึ้นได้มีอาการที่ระมัดระวังมีอาการที่น่าเหลื่อมใสจนกระทั่งว่าพวกเราก็กล้าที่จะไม่สะสมนะเป็นคนขยันก็มเข้าหลักหมดแหละแต่มันยังไม่ดีหมดนะยังไม่ดีหมดบางคนว่าเลี้ยงง่ายมันก็ยังเลี้ยงยากอยู่บ้างบำรุงง่ายกับบำรุงไม่ค่อยขึ้นเท่าไรนะยังติ่งเหลี่ยง่งเกีย ง, ย ง, ยงอะไรไปรยูอะไรเงี้ย แต่มันก็ดีขึ้นมาในขนาดหนึ่งนะเอามนุษย์พัฒนาเก้าเนี่มาจับดูกัเออพอเป็นไปเข้าหลักเข้าเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าอาตมาว่าอาตมาเทียบเคียงหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าตลอดมาอยู่ว่าไม่ได้ออกนอกทิศนอกทางอะไรเป็นไปด้วยดีอาตมาพูดแล้วเอาหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าไปแล้วคุณไปตรวจในพระแต่๋ยปิฎกได้แล้วก็ฟังอาตมาไปไปเช็คไปตรวจสอบดูซิว่ามันถูกไหมถูกทางไหม ถ้าถูกทางแล้วก็คุณจะเพิ่มเองคุณจะศรัท ธ, ธาขึ้นเองคุณจะเกิดศรัท ธ, ธาเกิดอินทรีห้าพระละห้าขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติไปอัตมาอธิบายมโนสัญเจตนาหารกับวิญญาณาหานยังไม่ครบนะภาษาหารอธิบายไปมากแล้วขยายความต้องมีภัษาเกิดขึ้นแล้วก็ไปรู้เสร็จแล้วเราก็มีการเป็นของตัวเองเมื่อเรารู้แล้วนะเรารู้จัก นะอาหารก็รู้จักพิจารณาผัดสาหารก็รู้จักพิจารณาก็มีมโนโสัญเจตนามีความตั้งใจสัญเจตนาก็คือเจตน า, นาเจตนานี่ยแหละมโนสัญเจตนาความกําหนดเจตนาความกําหนดกําหนดความตั้งใจกําหนดความมุ่งหมายกําหนดให้มันเจาะจงลงไปให้มีทิศมีทิศ ม, มีทางกําหนดเพราะฉะนั้นคนเรามีหางเสือ นั่นคือมโนสัญเจตนาหารมีเครื่องอาศัยที่เป็นหางเสือเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารเพราะเราจะดําเนินชีวิตของเราไปทุกวินาทีทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกปีเราเป็นคนมีหางเสือเราเป็นคนมีมโนสัจเจตนาหารมีเครื่องอาศัยหรือมีอาหารที่มีมโนสัจเจตนาว่าเราจะตั้งจิต ตั้งการดําเนินชีวิตตั้งเป้าของทางเดินของชีวิตอย่างไรเพราะนั้นอธิบายหยาบๆอาตมาอธิบายมาจนกระทั่งถึงตั้งทิศทางตั้งอะไรอะไรไปจริงก็คือใจของเราตั้งมโนสัญเจตนาเราต้องตั้งจิตของเราตั้งจิตตั้งใจเสมอตั้งให้เข้าทางเข้าเป้ามันออกนอกทางแล้วนะก็ตรวจ มันเป๋ไปแล้ว น, นี่มันชักจะแวะมันชักจะเอียงมันชักจะเลี่ยงอะไรเราก็ตรวจสอบของเรามันเมื่อเรามีมโนสัจเจตนาอาหารเสมอเสมอเสมอเสมอเราก็สังสมขึ้นเป็นอาหารทางวิญญาณวิญญาณอาหารเพราะเราก็จะสังสมวิญญาณกันเกิดขึ้นได้เสมอเสมอเสมอได้รับอาหารทางวิญญาณ มันก็จะเป็นอาหารชั้นเลิศเป็นอาหารอาริยะเป็นอาหารอันเปรสริฐขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เรามีชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเรามีอาหารอะไรบ้างอตมาว่ากัวรวลิงกาลาอาหารเราก็พยายามดูแลจัดการและตัวเราเองทุกคนก็มีโพชเนมัตตัญญาหรือมัตตัญญาจากพัตตสมงมีการประมาณมีการเลือกเฟ้นมีการดูมีการ สัมรวมในการกินสังวรในการกินในการกินการใช้ที่จริงโภชนาไม่ได้หมายความว่าการกินอย่างเดียวการเครื่องกินเครื่องใช้การกินการใช้เพราะเราจะใช้สอยอะไรเครื่องใช้สอยต่างๆเราก็จะต้องดูมันก่อให้เกิดกิเลสมันก่อให้เกิดอกุศลได้เหมือนกันอาหารกินเข้าปากมันก็ก่อให้เกิดกิเลสเกิดให้เกิดอาการที่ เ, เป็นกุศลอกุศลได้ เครื่องใช้ต่างๆที่เราทํากับชีวิตของเราที่เราชีวิตของเราไปเกี่ยวข้องมันก็ทําให้เกิดกุศลอกุศลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องสังวรระวังโพชเนมันตันยุตาสังวรทั้งเครื่องกินเครื่องใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดธรรมะทั้งนอกและในเนีย่ยเป็นประโยชน์ทั้งด้านนอกด้านในถึงขั้นวิญญาณนาหารให้เป็นประโยชน์ถึงขัน้นทางวิญญาณไม่ใช่เป็น กบลิงกะล า, าหารเป็นประโยชน์แก่กายเท่านั้นกายก็ดีและในการกินอาหารที่เป็นทางปากมันก็ยังมีแทรกซ้อนจะต้องรู้จักผัสสะจะต้องมีมโนสัญเจตนาและเกิดวิญญาณนะได้รับอาหารอันสปายะอย่างนี้เพราะเรามีธรรมสปายะสมบูรณ์สปายะ4ี่หมดเลย ทำรรมาส ป, ปายาทั้งได้รับการฟังทำทั้งเด็กพาการศึกษาทั้งสอนทั้งแนะทั้งพาจูงนําเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอยู่พร้อมทุกอย่างเลยเพราะงั้นเรามีชีวิตอยู่ในแปดวงอันนี้อยู่ในแดนอโศกอยู่ในแดนธรรมะอันนี้ขนาดนี้แล้วเนี่ย เด็กๆ ก, ก็ไปสังวรให้ดีอาจจะฟังไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่ทราบซึ่งแต่คนอายุมากแล้วยิ่งคนที่ร่างใกล้เมนแล้วเนี่ยอาตมาไม่ใช้แล้วไม้ใกล้ฝังใช้ร่างใกล้ใกล้เมนนี่กายิ่งอายุมากยิ่งคนเป็นลักษณะร่างใกล้เมนแล้วเนี่ยโอ้ยฟังเขาดีๆเธอเสร็จแล้วก็อ่ก็ทิ้งความแก่ไว้อยู่ที่นี่แล้วไม่อยากจะลากความแก่ไปที่อื่นแล้ว เพราะว่าไปมันก็แย่เต็มทีแล้วจะไปหาอะไรแล้วขวานมันมันไม่ใช่บินแล้วขวานมันบรนเลยหมดแล้วขวานมันยับเยินหมดแล้วเนี่ยเจอไม่งามเมื่อขวานยับเยินมันไม่มีทางอื่นแล้วมันเอามันตั้งที่ขวานยับเยินนี่เราวะนะก็เจอไม่งามแล้วนี่ขวานมันจะยับเยินยังไงก็เอามันแล้ววะตุบตุบตบยังไงไม่ค่อยขาวกับฉามัน แต่เด็กๆเนี่ยแหมยังพยองเนื่องว่งาขวานของเรายังไม่บินยังไม่แหมยังคมมากนะอยากจะไปฟันอะไรก็ไม่รู้ออกไปข้างนอกยุ่งดีๆเถอะนะพยายามคิดให้ดีอย่าไปเสียเวลาเลยพวกเรานี่เข้ามาเจออย่างนี้มาพบาศาสนาพุทธมาพบสัตบุรุษมาได้ฟังธรรมเป็นสัจธรรมที่ดีด้วยมันเป็นบุญของเรา คนไม่มีบุญไม่ได้มาหรอกจริงๆยิ่งบางคนนี่โอ้โหมีคนผลักไสเข้ามาหรือตัวเองพยายามจะเข้ามามันมาไม่ถึงนะมันไม่มีบุญสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นนะมันเป็นนามธรรมที่เรามองไม่ออกเยอะมันเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นพลวัตปัจจัยของเราเองเราไม่มีบุญมันก็ไม่มีบุญมันก็ไม่ไม่ได้เรามีบุญแล้วไม่เอาบุญมีโชคแล้วไม่เอาจะเอาอะไรมาเออจะนี่มันเคราะห์นะไม่ใช่เคราะห์ขออภัยโชค แม่เราเนี่มันโชคแต่โชคร้ายจังเลยเข้ามาแล้วไม่ได้อะไรหรือ ว, ว่าโชคร้ายจังเลยเข้ามาแล้วดันออกไปเองดีๆไม่ดีมาทําชั่วทําเลวที่นี่ที่นี้เขาก็ให้ออกไปเท่านั้นเองนะโชคแล้วนะแต่แหมหน่าเสียดายโชคมันร้ายอันนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยต้องพยายามพากเพียรที่จริงอาตมาพูดเนี่ไม่หยามันนั่งประ่าเปโลมไม่มันั่งเปรอะ เ, เอาไว้รอนะ ยิ่งคนไหนที่ยังไม่ค่อยเขา้าฐานเนี่ยยังอยู่ไม่ไไมา ไ, ไปไปไปไอไปสักก็ดีไอ้อย่างเงี้ยมันหน้าไอ้คนที่เขาตั้งใจอยู่นี่ยังสอนไม่ใช่ง่ายๆเลยพยายามเข้นกันยังไม่ง่ายเลยไอ้ยิ่งไม่ค่อยเอาฐานเลยเนี่ยไปไปซะระวังนะอาตมาไม่ได้ไล่นะแต่อาตมาบอกให้อย่ากให้ให้อยาให้เป็นเหตุการณ์อย่างนี้อยากให้มันเกิดอย่างนี้นะ เอาวันนี้ตั้งใจว่าจะเทศไม่ให้เกิน5้าโมงครึ่งว่าจะไปบิณฑบาตบ้างก็เอาละอาตมาทเทศนิทบทวนนะได้ฟังทำในเวลาเหมาะๆงานของตัวเองจะมากอะไรก็จัดสรรจัดบริหารเวลาของตัวเองอเอาละจะเลยเวลาไปมากแล้วจะได้ไปบิณฑบาตก็วันนี้ขอเทศนาแต่เพียงเท่านี้เอวัง